วันนี้เป็นวันศุกร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมศวนะเป็นวันมงคลอย่างยิ่งความเป็นมงคลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะว่าเป็นวันศุกร์หรือเป็นวันพระแต่ความเป็นมงคลทางพระพุทธศาสนานี้ขึ้นอยู่กับการกระทาที่เป็นมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรมีการกระทำสามสิบแปดข้อด้วยกันที่เรียกว่าเป็นการกระทา ที่ทำให้เกิดความเป็นเิลิมมงคลให้แก่จิตใจความเป็นมงคลของจิตใจก็คือความเจริญความสุขของจิตใจนั่นเองใจจะสูงขึ้นใจจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนี่คือความหมายของความเจริญ ของความเป็นมงคลเป็นมงคลหมายถึงเป็นสุขเป็นเจริญแก่จิตใจและการที่จะทำให้จิตใจเกิดความเป็นมงคลขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทาที่เป็นมงคลอย่างวันนี้ <c oughs> <c oughs> ท่านสาธุชนพุทธบริษัท ก็ได้มาวัดกันเพื่อมากระทำสิ่งที่เป็นมงคลหลายข้อด้วยกันหลายอย่างด้วยกันเช่นวันนี้ท่านก็มาวัดเพื่อมาบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธก็ทมพระสงฆ์อย่างที่คระเจ้าได้ทรงตัดไว้ในมงคลลั การบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาจะปูชนียานังเอตัมังกาลมุตตะมังวนันนี้ท่านทั้งหลายก็จะมากระทําการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันสองขั้นด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะและข้าวของเงินทองต่างๆการบูชาขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจ ให้เป็นไปตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าการบูชาทั้งสองระดับนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูบชาว่าเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดแต่สําหรับผู้ที่ยังมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอยังไม่มีกําลังแก่กล้า คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังไม่มีกำลังมากพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติบูชาได้ก็ให้ทำการอมิตรบูชาไปก่อนเป็นขั้นเริ่มต้นเริ่มต้นที่อมิตรบูชาแล้วพออินทรีย์มีความแก่กล้าขึ้นมี ศรัทธามากขึ้นมีความภาเพียรวิริยะมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นก็จะมีกำลังมีความสามารถที่จะเข้าสู่การปฏิบัติบูชาได้เร้่งต้นก็ทําอามิสบูชากันไปก่อน อามิสบูชาก็คือการทานุ่บำลงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยต่างๆเช่นจตุปัจจัยทายทานปัจจัยสี่ที่เป็นเครื่องดำรงชีพของพระภิกษุสามเณรจำเป็นที่จะต้องมีอาหารบิณฑบาตมีจีวรเครื่องนุ่งห่มมีกุฏิที่วาใส มียารักษาโรคไว้เวลาที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยการทานุบารุงพระพุทธศาสนานี้ต้องทานุบำรุงที่พระภิกษุสา ม, มเณรผู้ที่มาบวชมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติมาสืบทอดพระพุทธศาสนามาสืบทอดพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาจะอยู่ไปได้ ย, ยั่งยืนนี้จำเป็นจะต้องมีผู้รู้ธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมคือต้องมีพระอาริยบุคคลมีพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันถึงจะสามารถที่จะเอาธรรมมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลนี้เอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พุทธบริษัทเพื่อที่จะได้ศึกษาและน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่จิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีภิกษุสมเนา เป็นผู้ที่มาบวชมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนผิพพานตามลำดับท่านเหล่านี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมจึงมอบภาระหน้าที่นี้เลี้ยงดูพระเนเนี้ให้กับ สัตธาญาิโยมผู้ฝ่ธรรมทั้งหลายให้ได้ทำการอามิสบูชาถวายจตุปใจไต ย, ยธรรมบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มจีวรที่อาศัยกุติวัดว่าสถ า, านที่ปฏิบัติแล้วก็อย่ารักษาโร หรือพาภิกษุสามเณรไปรักษาตัวตามโรงพยาบาล mm hmm. เวลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้ภิกษุสามเณรนี้ได้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาตังวลกับการทรราหากินหาเงินหาทองเหมือนกับคารวาดยากอยู่ mm hmm. นี่คือเรียกว่าอามิสบูชาอามิสแปลาว่าสิ่งของต่างๆบูชาด้วยสิ่งของต่างๆที่จําเป็นต่อสำนนะบริโภคสิ่งที่สมณะควรที่จะบริโภคหรือจําเป็นที่จะต้องบริโภคก็คือปัจจัยสี่นอกจากนั้นก็ปัจจัยสี่นี้ก็มาในรูปแบบต่างๆ เช่นการถวายจีวร น, นี่ก็มีหลายแลยหลายวิธีด้วยกันถวายผ้าป่านี่ก็เป็นการถวายจีวรถวายผ้ากระถิ่นก็เป็นการถวายจีวรถวายผ้าบางสกุลก็เป็นการถวายผ้าจีวรเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีความมีเหตุความเป็นมาของการถวายผ้านี้ต่างกันไป เรื่องต้นในยุคสมัยพุทธกาลนี้เรื่องการถวายผ้านี้ไม่มีในยุคแรกๆที่มีแต่การถวายอาหารบิณฑบาตเพียงอย่างเดียวพอพระภิกษุท่านมากน้อยสันโดษท่านไม่เรียกร้องขอร้องอะไรท่านขอเพียงอย่างเดียวก็คืออาหารบิณฑบาสตสตารายาโยงก็เลยถวายเพียงแต่อาหารบิณฑบาตส่วน จีวรนี้ท่านไปหาของท่านเองหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะหาผ้าที่ห่อศพทิ้งไว้ในป่าชา้าผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้านี่คือผ้าป่านี่ผ้าป่าความหมายก็คือผ้าป่าชา้าเพียงแต่เราพูดสั้นๆคำว่าช้าเลยหายไปเหลือแต่ผ้าป่า ความิงผ้าป่าก็ความหมายก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในผ้าที่ห่อศพสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้เอาศพไปเผาไปฝังเอาผ้าพันๆแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยพอศพเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ายังใช้การได้อยู่นักบวชในสมัยนั้นก็จะไปเก็บผ้าเหล่านี้มาตัดเย็บซักย้อมเป็นผ้าจีวรผ้าเครื่มลูงห่ม ดนในยุคแรกๆนี้พระภิกษุหาผ้าเองหาผ้าบางสุขหาผ้าบางสกุลคือผ้าป่าคำว่าบางสกุลนี้ก็คือผ้าป่าเราจึงมีการถวายผ้าบางสกุลผ้าป่าในปัจจุบันเพื่อเรียนแบบในสมัยพุทธกาลถวายผ้าป่าเราจะเอาผ้าไปวางไว้แล้วให้พระท่านไปพิจารณา ไปหยิบมาเองไม่ต้องถวายกับมือไปวางไว้สมมุติว่าเป็นเหมือนผ้าหอ่อศพทิ้งไว้ในป่าชา้าหรือผ้าบางสกุลที่ให้ไปทอดหน้าหน้าศพก็เช่นเดียวกันเอาผ้าวางไว้ที่หน้าหีบศพแล้วให้พระภิกษุไปพิจารณาไปหยิบมาโดยที่ไม่ได้ต้องถวายกับมืออันนี้เพราะว่าสมัยพุทธกาลนี้ ผ้านี้ไม่ได้มีการถวายกับมือให้กับผ้าภิกษุผ้านี้มีก็นี้เป็นผ้าที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าหรือทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่ผ้าภิกษุไปสามารถเก็บมาได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตไม่ถือว่าเป็นการลักขโมยมนี่คือที่มาของผ้าป่าหรือผ้าบางสกุลที่เรามีการกทากันในปัจจุบันนี้ ถ้าบางสกลุลเรานิยมทำช่วงที่คนตายกันเวลามีงานศพจะมีการเอาผ้าวางไว้ต่อหน้าพระแล้วให้พระพิจารณาพระท่านก็นจะพิจารณาว่าอานิจจาวัตสังฆาวาอุปดาวยธรรมิโนอุปชจิตตาวานิโรันติเอสังหูปะสมสุขโคพรท่านก็นจะพิจารณาว่าผ้าที่หอ่อศพนี้ สพก็คือสังขารร่างกายที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป<ม>การไม่ยึดติดการปล่อยวางสังขารร่างกายได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง<ม>เพราะวันใดวันหนึ่งจิตจะต้องมีการแยกตัวออกจากร่างกายร่างกายจะต้องถึงแก่ความตายไปถ้าไปมีความยึดติด ไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเวลาที่จะต้องสูญเสียร่างกายนี้จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจอย่างยิ่งแต่ถ้ามีธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันจิตนี้เป็นนายร่างกายเป็นบา่าวจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายมก็ต้องปล่อยให้มันตายไป คือละวางปล่อยปล่อยวางสังขารการปล่อยวางสังขารร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งจะตายอย่างมีความสุขจะตายโดยไม่มีความทุกข์ทรมานใจอันนี่คือบทที่พระภิกษุจะใช้ในการพิจารณาผ้าบางสกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ถวายหน้างานศพหน้าหีบศพหรือว่าเป็นผ้า ป, ป่าที่ญาติโยมจัด เอามาถวายผ้าป่ามันก็มัเจะ ม, ม, มีมีกิ่งไม้มีกิ่งไม้เล็กๆอันหนึ่งเอามาแล้วก็มีผ้าวางไว้ที่ใต้กิ่งไม้เปรียบเหมือนกับว่าเป็นผ้าป่าผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชา้อาอาันนี้คือเรื่องของผ้าของที่พุทธบริษัทในยุคแักๆนี้ไม่ได้มีการถวายเพราะผ้าพิกูุสามารถหาเองได้ แต่ต่อมาเมื่อมีพระภิกษุบวชกันมากขึ้นเพราะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันมากขึ้นเพราะเห็นว่าผู้ที่มาบวชนี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากมก็อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานตามกันก็เลยมาบวชกันจํานวนของพระภิกษุก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ แต่จานวนของผ้าป่ามันก็ยังมีเท่าเดิมอยู่คนไม่ได้ตายมากขึ้นคนก็ตายเท่าเดิมอยู่ผ้าห่อศพก็มีอยู่เท่าเดิมพ้าพิกษุก็เลยต้องเหมือนกับว่าขาดแทนผ้าผ้ามาได้กันอย่างมากก็แค่อง์ระผืนผืนสองผืนหรือผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนแต่จะไม่มีผ้าสำรองไว้เปลี่ยนเวลาที่ เปียกผ้าเปียกเช่นเวลาไปเจอฝนวันหนึ่งเนี่ยมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากที่อื่นมาเพื่อจะมากราบพระพุทธเจ้าระหว่างก่อนที่จะถึงที่สำนักที่พระพเจ้าประทับอยู่ก็เจอฝนฝนก็ไม่มีที่หลบฝนก็เลยต้องเปียกบอล mm hmm. เวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีผ้าเปียก ก็ต้องหมผ้าเปียกๆนี้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นความลำบากของพ้าภิกษุว่าพ้าภิกษุนี้ขาดแทนผ้าผ้าไม่พอใช้ศรัทธาญาติโยมผู้สนับสนุนก็ไม่รู้ว่าถวายผ้าให้กับพ้าภิกษุได้เพราะว่าผ้าภิกษุไม่ได้ขอ ขอแต่บิณฑบาตอาหารบิณฑบาตเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบอกสัทธายาโยวัว่าตอนนี้พระภิกษุท่านขาดแคลนผ้ามากผ้าไม่พอใช้ <Yeah. S 2> ควรที่จะถวายผ้าให้กับพระ <Yeah. S 2> อย่างน้อยก็ให้ถวายปีละหนึ่งครั้ง <Yeah. S 2> และให้เรียกผ้านี้ว่าผ้ากระถิน yeah. พระผ้ากรถินนี้ทรงอนุญาตให้สัตยาญาติโยมถวายให้กับพระภิกษุได้ปีละหนึ่งครั้งและพระภิกษุที่จะสามารถรับผ้านี้ได้จะต้องเป็นพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนมไม่ไปไม่ไปแหกพรรษาอยู่จํากับอยู่กับที่จำพรรษาปฏิบัติศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็พรรษาก็ ระยะเวลาหนึ่งเดือนหัังเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ศัทธาญาติโยมถวายผ้ากระถินได้นี่คือที่มาของผ้ากระถินยุคแรกๆของมะพุทธศาสนานี้มีแต่ผ้าป่าผ้าบางสกุลคือผ้าที่ไปเก็บตามป่าช้ามามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บกันเองแต่ต่อมา พระบวชกันมากขึ้นมากขึ้นผ้าก็เลยไม่พอเพียง<ม>ก็เลยมีมีการอนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมได้ถวายผ้าก็ถิ่นกันแต่ก็ส่งให้ถวายเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งก็พอเพราะผ้าผือนหนึ่งนี้ก็ใช้ไปจริงๆก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่จำเป็นที่จะต้องถวายกันทุกวันทุกเวลาเพราะว่าจะทำให้เสียเวลาของการศึกษาของการปฏิบัติธรรม พระภิกษุจะต้องมาคอยรับผ้ากรถิ่นกันอยู่เรื่อยๆใครอยากจะถวายผ้ากรถิ่นก็มาถวาย<ม>ก็ต้องจัดงานจัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายให้กับพระภิกษุ<ม>นี่คือที่มาว่าทําไมพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ถวายผ้ากรถินได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง<ม>นี่คือผ้าที่ เป็นเครื่องสักการะบูชาให้แก่พระพุทธศาสนาได้จะเป็นผ้าป่า ก, ก็ได้เป็นผ้ากระถินก็ได้จะเป็นผ้าบางสกุลก็ได้ได้ทั้งนั้นสมัยนี้เรามีผ้าเยอะแยะแล้วก็มีความศรัทธาที่อยากจะถวายผ้ากันก็ถวายกันแทบทุกวันใครมีวันเกิดวันสําคัญอะไรเวลาจะทําบุญก็อยากจะถวายให้ครบทั้งสี่อย่าง ถวายผ้าถวายอาหารบินฑบายถวายเครื่องนุง่งถวายยารักษาโรคแล้วก็ถวายปัจจัยไว้สําหรับสร้างกุฏิรือซ่อมแซมกุฏิเผื่อเวลาที่กุฏิที่อยู่อาศัยนี้ชํารุดทรุดโทรมในสมัยพุทธกาลยุคแรกๆนี้ไม่มีพระไม่มีกุฏิอยู่กันไม่มีวัดกันท่านนี้จะท่านจะเป็นพระป่าพระธุ ด, ดง ท่านจะอยู่ตามป่าตามเขา<ม>อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำตามเงื้อมผามนี่คือที่อยู่ของพระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นยุคเลิกยุคบุกเบิกจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีการสร้างวัดวารหลัแต่ต่อมาสัทธาญาติโยมมีศรัทธาอยากจะบูชาอยากจะอามิสตบูชากับพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ ก็เลยช่วยกันสร้างวัดกันขึ้นมาแล้วก็นิมนต์ให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาในแต่ละวัดไปแต่ในยุคแรกๆนี้พระท่านจะเป็นพระธุดงท่านจะไม่มีวัดอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีกุฏิอาศัยท่านจะอาศัยอยู่ตามโคนไม้อาจจะทำเป็นเพิงทำด้วยใบไม้กิ่งไม้พอการแดดการฝนได้ก็พอ ท่านนิยมอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นที่เหมาะกับการบําเพ็ญเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเหมาะต่อการบรรลุธรรมท่านก็เลยไม่เดือดร้อนกับการที่จะมีกุฏิมีวัดหรือไม่พ<ม>ระพุทธเจ้าตัดสรูใ้ใต้โคนต้นไม้ใต้โคนต้นโพพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในวัดไม่มีวัดอยู่สมัยที่ท่านทรงตัดสรู้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระทุ่งดงเป็นพระป่า แต่ต่อมาเมื่อมีมีมีคนรู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นมีศรัทธาความเลื่อมใสามากขึ้นก็อยากที่จะสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เลยมีการสร้างวัดวารามต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอามิสบูชาได้บุญได้กุศลได้เป็นมงคลในระดับที่หนึ่ง มงคล น, นี้มีสองระดับในเรื่องของการบูชาระดับที่หนึ่งก็คืออามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆจะตุปัจจัยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าได้ทำการบูชาตอบแทนพระคุณของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ สนับสนุนให้พระพุทธศาสนานี้ได้อยู่ไปนานๆเพราะพระพภิกษุสามนเณนรที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ถ้าขาดปัจจัยสี่ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ในศาสนานได้ถ้าศรัทธาญาติโยมเสื่อมศรัทธาลงไม่ใส่บาตรไม่ถวายผ้าไม่ไม่สร้างกุติที่อยู่อาศัยให้อยู่ ไม่ถวายยารักษาโรคหรือพาไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆภิกษุสามเณรก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะจาเป็นจะต้องลาสิกขาออกไปทำมาหากินเองเพราะว่าร่างกายนี้จาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ดังนั้นการที่ชาวพุทธเราได้ทำการอามิสสบูชานี้ก็ถือว่าเป็นการ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่อันนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องมีการทำนุบำรุง ก็คือจิตใจของชาวพุทธเราถ้าละจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ถ้าอยากจะให้พุทธศาสนานี้ยั่งยืนอยู่ไปนานๆเ็นร่มโพล่มใส่จิตใจของพระพุทธศาสนานชาพุทธศาส น, านิกชนนี้ก็จะเป็นที่จะต้องมีดวงตาเห็นธรรมกันต้องบรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะถ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จะสามารถเป็นผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้เป็นผู้ที่สามารถนำเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัและได้ทรงนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้มีอยู่กับโลกต่อไปเป็นระยะเวลาอันยาวนาน mm hmm. การที่จะมีพุทธศาสนิกชนบรรลุมรรคผลไม่ผ่านได้ mm hmm. ก็จาเป็นที่จะต้องมี การบูชาอีกระดับหนึ่งระดับที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติบูบบชา<ม>ปฏบิบัติบูชานี้จะต่างจากอามิสบูชาอามิสบูชาเพียงแต่ถวายข้าวของเงินทองออทำบุญทำทานอันนี้ก็ถือว่าได้ทำการบูชาแล้วแล้วก็ได้ยกระดับจ Self ิตใจขึ้นสู่ระดับขั้นที่หนึ่งจากขั้นของมนุษย์ ผู้ได้ทำบุญทาทานและไม่ได้ทำบาปรักษาศีลห้าได้เป็นปกติจิตใจของผู้ที่ได้ทำบุญทาทานและไม่ทำบาปนี้<ม>ก็จะยกระดับสูงขึ้นจากระดับของมนุษย์ไปเป็นเทวดา<ม>ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกัน<ม><ม>ผู้ที่ทำมิสบูชานี้จะได้อนิสง<ม>ก็คือเวลาตายไป ก็จะได้ไปสวรรค์จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ทำบาปถ้าไม่ผิดศีลไม่ฆ่ามีการละเว้นการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆแล้วก็มีการทำบุญอย่างสม่ำเสมอเช่นถ้ามีวัดใกล้บ้านมีพระ บ, บิณฑบาตมาบิณฑบาตก็ ใส่บาตรกันเป็นเป็นเป็นปกติเป็นประจำหรือสำหรับผู้ที่อยากจะใส่บาตรแต่ไม่มีพระมาก็สามารถเอาเงินที่จะใส่ซื้ออาหารใส่บาตรนี้ใส่ในกระปุกไว้ก็ได้ใส่ในกระป๋องไว้เก็บเอาไว้แล้วพอวันพระวันที่สะดวกที่จะมาวัดก็เอานำเอาเงินที่เก็บเอาไวเ้ เ, เงินที่ใส่บาตรนี้เอามาถวายวัดได้ เอามาถวายชาระหนี้สงต่างๆเพราะวัดสมัยนี้ก็มีมีภาระ<ม>จะต้องมีการดูแลวัดว่ดวาให้สะอาดเรียบร้อย<ม>แล้วมีค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆตา<ม>นี้ก็ถือว่าเป็นหนี้สงสงเป็นหนี้สงเป็นหนี้การไ ฟ, ฟฟ้านี่การป่าป<ม>่าก็ต้องมีการชาระหนี้สงกัน<ม><ม>อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอาบิสบูชา สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สามารถขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าคือปฏิบัติบูบชา mm hmm. ก็ทำการามิสบูชาไปก่อนตายไปก็จะไปสวรรค์ mm hmm. หลังจากหลังจากกลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เป็นจิตใจใจบุญใจกุศล mm hmm. เป็นคนดี กลับมาเกิดก็จะมีความมั่งมีสีสุขอา น, นิสงค์ของบุญของที่ได้ทำเอาไว้ของทานที่ได้ทำเอาไว้ก็จะทํามาให้มาเกิดร่ํารวยมีฐานะการเงินการทองที่ดีไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่อัตคัตขัดสนนี่คืออา น, นิสงค์ของการได้กระทําอามิสบูชาแต่ก็ยังทําให้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ มาเกิดใหม่ก็มาทำบุญใหม่มารักษาศีลใหม่ตายไปก็ไปเป็นเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากหมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเวียนว่ายตายเกิดในสุ ข, ขติ สุขติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เรียกว่าสุขติทุกติก็คืออบายสอบายสีก็ได้แก่การไปเกิดเป็นเดชะชานไปเป็นเปรตเป็นอนสุสวรกายหรือไปตกนรกอันนี้จะไม่เกิดกับผู้ที่ทําการอามิสบูชาคือทําบุญทําทานอย่างต่อเ น, นื่องสม่ําเสมอ และไม่กระทำแบาบปรักษาศีลห้าไว้ได้อย่างมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องของการอมิสบูชาแต่ยังไม่หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ตายไปก็ไปเป็นเทพกลับมาจากเทพก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่วนไปเวียนมาอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆถ้าอยากที่จะไม่กลับมาเวียนว่าตายเกิด อยากจะหลุดออกจากวัฏสงสาร<ม>ก็จำเป็นที่จะต้องมีการกปฏิบัติบูบชาอันนี้เป็นบูชาขั้นสูง<ม>ขั้นที่ยากแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ทำอามิสบูชาอย่างสม่าเสมอแล้วศรัทธาจะมีแรงแก่กล้าขึ้นความภาคเพียรจะมีเพิ่มมากขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น จนสามารถที่จะไปทำการปฏิบัติบูบชาได้<ม>เช่นเมื้อเริ่มต้นในเบื้องต้นก็เริ่มต้นด้วยการการะทการปฏิบัติบูชาอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ยังยังดีถ้ายังไม่สามารถทำได้มากกว่านั้น<ม>เช่นวันพระวันนี้<ม>ก็มาทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปทามิตรสบูชาถวายข้าวของเงินทอง ใส่บาทหรืออะไรก็ตามแล้วก็มาทำการปฏิบัติบูบชาบปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในระดับของเนกขมมะศีลก็คือเนกขมมะศีลคือต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพราะการที่จะไปปฏิบัติบูชาด้วยการภาวนาได้นี้ ถ้าไม่รักษาศีลแปดนี้จะไม่มีกำลังพอที่จะไปปฏิบัติจิตตะภาวนาการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติจิตตภาวนานี่จิตตะภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นกว่าระดับของเทพ<ม>ให้สูงไปขึ้นไปสู่ระดับของพรหมของพระอริยบุคคลของพระอรหันต์ของพอระ พ, พ, พุทธเจ้า และการที่จะไปปฏิบัติบูชาได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีศีลแปเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. เพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. คือทางกายอารมณ์ mm hmm. ไม่ให้ไปเสพกามอารมณ์ตามความอยากต่างๆ mm hmm. ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใคร mm hmm. นี่คือศีลทอดสารของศีลแป ถ้าศีลห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ถ้าอยากจะปฏิบัติบูบชาจำเป็นที่จ ะ, จะต้องงดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการร่วมหลับนอนนี้มาให้กับการมาภาวนามาปฏิบัติจิตตะภาวนานั่นเอง ก็จําเป็นที่จะต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไม่เลื่อมหลับนอนกับใครศรินข้อสามแล้วเพิ่มศินข้อหกไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับรับประทานอาหารตามความจําเป็นของร่างกายตามความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานวนลาหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอเพียงไม่ต้องรับประทานเวนลาสามสี่ห้าครั้ง อันนั้นเรียกว่ารับประทานตามความอยากอยากรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานกันอันนี้เป็นการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติจิตตภาวนาได้จาเป็นต้องระงรับเรื่องของการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานตามความจาเป็นความต้องการของร่างกายซึ่ง ซึ่งลับประทานเพียงครั้งละหนึ่งวันละหนึ่งครัง้งหรือสองครั้งก็พอเพียงแต่ไม่ควรรับประทานหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วเพราะว่าจะได้เอาเวลาที่เหลือจากเชี่ยงวันไปแล้วนี้มาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาเพราะถ้ารับประทานทั้งวันทั้งคืนนี้มันจะทาให้หึ่งเสียเวลาของการปฏิบัติสองจะทำให้เกิดความว่่นเหวงเหาหนอยเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสับกระบก เพราะว่ากินอาหารมากเกินไปแต่ถ้าไม่กินมากเกินไปนี้ตอนเย็นๆท้องจะรู้สึกว่างรู้สึกเบาอาจจะหิวนิดๆแต่ความหิวนี้มันดีมันกระตุ้นไม่ให้ง่วงแล้วมันจะทำให้การปฏิบัติจิตตภาวนานี้ไม่ไม่ยากลำบากไม่มีไม่มีอุปสรรคคือความง่วงเหงาหานอนหรือความเกลียดข้ารเสนข้อหนี้จึงเป็นข้อที่สาคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการกระทำปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรู้จักประมาณก็คือความพอดีต่อความต้องการของร่างกายอยา ก, กินมากกว่าที่ร่างกายต้องการไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะทำให้เกิดทางร่างกายก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมา คนที่กินมากๆก็จะคนที่มีน้ำหนักเกินนี่มักจะมีโรคต่างๆโรคอ้วนต่างๆตามมาโรคเบาหวานโรคไขมันอุด ต, ตันโรคความดันโรคเกาโรคอะไรต่างๆนี่มาจากเรื่องของการรับประทานมากเกินไปถ้ารับประทานพอเพียงนี้จะไม่มีโรคอย่างนี้จะได้ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติแล้วเป็นโรคต้องคอยไปรักษาอยู่นี้ เวลาที่จะเอามาให้กับการปฏิบัตินี้ก็จะไม่มี น, นี่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารเอาพอให้ร่างกายดับความหิวได้ก็พอไม่ต้องถึงกับอิ่มเช่นเวลาเรารับประทานอาหารไปเริ่มต้นเราจะรู้สึกว่าหิวเราก็รับประทานไปสักพักหนึ่งพอรู้สึกว่าความหิวหายไปแต่ยังไม่ทันอิ่มก็ควรจะหยุดได้นะ ก่อนจะหยุดแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปแทนถ้าอยากจะให้อิ่ม mm. ก็ให้อิ่มด้วยน้ํา mm. ไม่เป็นไรเพอน้ําเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเ ด, ยวเดียวมันก็จะระบายออกมาหมด mm. มันก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคต่อการทําให้ร่างกายง่วงเหงาหานอนเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมเ mm. สียง้อหกเนยต้องรู้จักประมาณในรับการรับประทานอาหาร mm. อย่ารับประทานอาหาร mm. หลังเชี่ยงวันไปแล้ว mm. แล้วก็มาที่ข้อที่เจ็ก็มาหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายทางบันเทิงทางมหรศพต่างๆไม่ไปดูหนังฟังเพลงน้องราทําเพลงดูละครดูวิเกดูอะไรก็ตามร้องอะไรที่เป็นมหัศพเป็นบันเทิงนี้ต้อ ง, งระงับเอาไว้ไม่ไปงานเลี้ยงไม่ไปงานแต่งงานวันงานวันเกิดงานอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอภารณท์ที่วิจิตรพิสดารใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายพอปกปิดร่างกายก็พอไม่ต้องเสริมสวยด้วยเครื่องสำอางต่างๆไม่ต้องทาแต่งหน้าทาปากย้อมผ้าย้อมผมอะไรต่างๆอันนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไม่มีความจำเป็นที่จะถ้าต้องการปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ต้องการจะไปพบปะกับใครอยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี้ต้องอยู่ตามลําพังเมื่ออยู่ตามลําพังก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆหรือใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆเสริมความงามทางหน้าทางตาต่างๆอยู่แบบเรียบง่ายจะได้ไม่เสียเวลาอาบน้ําอาบน้ ำ, อ า, นำอาบน้ำด้วยสบู่อาบใส่ก็เช็ดตัวหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็เรียบร้อยแนละ้วมีเวลาเอามันม า, มานั่งภาวนาได้มานั่งสมาธิมาเจริญ กรรมาฐานได้ถ้ามูวแต่มางคอยแต่งตัวบางทีหมดเวลาไปแต่งแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่งไปทำไมถ้าถ้าไปก็แสดงว่ามันก็มันก็ต้องขาดศีลนะคนที่ถือศีลแปดนี้จะไม่ไม่ต้องการกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความางามของร่างกายแล้วก็ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกยิ้นกายอันนี้ข้อที่แปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไป ้นอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอทั้นถ้านอนแบบใช้เตียงที่มีเตียงสำารานเตียงที่มีฟูกหนานานอนแล้วสบายนี่เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเ mm. พราะมันสบายก็จะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมง mm. หรือสี่ห้าชั่วโมง mm. มันก็จะทำให้เวลาอันมีค่าที่เร า, เาจะมาใช้กับการปฏิบัติบูชานี้หมดไปได้ วิธีที่เราจะไม่นอนมากเกินไปก็ให้นอนบนบนพื้นที่แข็งแข็งบนเตียงที่มีเป็นพื้นแข็งแข็งถ้ามีผู้ก็ยกออกไปแล้วก็นอนบนบนพื้นพื้นเตียงที่แข็งแข็งปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อหรือถ้าไม่สามารถทําได้ก็นอนกับพื้นก็ได้นอนกับพื้นแข็งแข็งเนี้ยปูผ้าปูเสือ่อก็พอเพียงอย่างนี้มันจะนอนไม่สบายแต่นอนหลับได้เวลาร่างกายง่วงนอนเนี้ย ที่ไหนมันก็หลับได้พอมันได้หลับพักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาพอมันตื่นขึ้นมาพอมันเจอความไม่สบายของของที่นอนมันก็จะไม่นอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาทำการปฏิบัติบูบชา<ม>การปฏิบัติบูชาก็คือการมาภาวนาเรียกว่าจิตตะภาวนาจิตตะภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจ ให้บรรลุมรคผลณนิพพานนั่นเองให้ขึ้นสู่ความจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลให้ไปเป็นพระปัญพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีและพระอรหันการที่จะยกจิตใจให้ขึ้นจากปุถุชนไปเป็นพระอริยบุคคลได้ก็ต้องมีการภาวนาซึ่งการภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอน เหมือนกับการบูชาก็มีสองขั้นตอนอามิ ส, สบูชาและปฏิบัติบูชาการภาวนาก็มีสองขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนสอนใจให้ฉลาดให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นใรลัก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสุขเลยสองขั้นนี้ก็มีความยากง่ายต่างกันจึงต้องทําขั้นที่ง่ายก่อนเหมือนกับการบูชาเราก็ทําขั้นที่ง่ายก่อนทําอามิสบูชาก่อนพอทําไปแล้วเราก็จะมีกําลังมากพอมีกําลังมากเราก็จะไปปฏิบัติบูบชาต่อได้ดันั้นการภาวนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ขั้นต้นเราก็ต้องทำสมถะภาวนาก่อนเพราะมันง่ายมันง่ายกว่าการทำวิปัสนาภาวนา<ม>เลยจำเป็นที่จะต้องเริ่มที่สมถะภาวนาก่อนถึงจะสามารถมีกำลังที่จะสามารถไปทำวิปัสนาภาวนาต่อไปได้<ม>การทำสมถะภาวนานี้ไม่มีอะไรยุ่งยากขอให้ใจเรามีอะไรเพ่งหรือมีอะไรผูกไว้เท่านั้นเอง ใจเราปกตินี้ชอบคิดชอบลอยไปตามความคิดตามอารมณ์ต่างๆพอลืมตาขึ้นมาก็คิดแล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างไม่เคยเจอความสงบเลยไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบว่าเป็นยังไงเลยคนที่ถ้าอยากจะได้เจอความสุขที่แท้จริง คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องมาหาวิธีหยุดความคิดให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงพบวิธีว่าการจะหยุดความคิดได้นี้ต้องมีอะไรผูกใจเอาไว้อย่าให้ใจมีอยู่เฉยๆปล่อยให้ไหลไปตามความคิดต่างๆให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีหลายหลายแบบด้วยกันแต่ในเริ่มต้นนี้ก็มีใช้อยู่สองแบบใหญ่ เป็นเครื่องผูกใจถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ให้เราเลึกถึงคำบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยู่ในช่วงของการปฏิบัติเช่นวันพระถ้าเราอยากจะทำปฏิบัติบูบชาสักหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนเราจะเอาเวลาขั้นต้นนี้มาฝึกหัด จเจริญสติกันสร้างสติมาหยุดความคิดกันด้วยการใช้กรรมาฐานพุทธานุสติให้เราเลืกอกถึงคาว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเ น, นื่องความคิดก็จะเบาบางลงน้อยลงไปและเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายได้เร็วถ้าไม่มีสติเลยปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืน เวลามานั่งสมาธิใจยังฟุ้งอยู่นั่งเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบเพราะว่าไม่มีสติจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาสติเป็นเหตุที่จะทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเป็นจิตที่มีความผ่องใสเบิกบานจำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้ที่คอยกำกับไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆวิธีที่จะสร้างสติก็มีหลายวิธี อย่างเบื้องต้นนี่ก็มีวิธีแรกก็คือพุทธานุสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้เรียกว่ากายกตาสติก็คือใช้ร่างกายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของสติให้เราเฝ้าดูร่างกายของเราอยู่ทุกิริยาบุว่าร่างกายเรากาลังตอนนี้กาลังทำอะไรอยู่ไม่ให้ใจเราหีไปจากร่างกาย ให้เฝ้าดูทุกอิริยบทกำลังยืนก็รู้กำลังยืนกำลังเดินก็รู้กำลังเดินกำลังนั่งกำลังทำอะไรกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ให้ใจเฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายเพื่อที่ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองถ้าเราผูกใจไว้กับร่างกายมันก็จะไปที่อื่นไม่ได้ อ๋อ ม, มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอาณาปณะสติอาณาปาณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้การระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกเรียกว่าอาณาปณะสติเวลาดูร่างกายเราก็เรียกว่ากายกตาสติ ก็ให้เราเลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายหรือถ้าเราจะใช้พุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ให้รู้อยู่กับบทพุทธคุณก็ได้ถ้าเราอยากจะสวดก็ะสวดอิติปิโสไปก็ได้ถ้าไม่อยากจะสวดก็ท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้หรืออยากจะเพิ่มธรรมโมสังโคด้วยก็ได้จะสวด สว่าขาโตพรกวตาธรรมโมสุปฏิปโนไปด้วยก็ได้วิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ใจไม่คิดฟุง้งซ่านไม่ให้ใจคิดเรื่อยเปือ่อยเวลาที่จะทําใจให้สงบมีความสุขได้นี้จาเป็นที่ต้องหยุดความคิดต่างๆทําไมเราจรึงต้องมาทําสมาธิกันเพราะว่าสมาธินี้เป็นแหล่งของความสุขที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้ จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองพราะความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนได้มาแล้วบางทีก็หมดไปเวลาหมดไปก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจเวลาอยากได้ถ้าไม่ได้ก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวยส่้มาฝึกสร้างความสุขที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยร่างกาย ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกบินกายไม่ต้องใช้เงินทองความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เรามักจะต้องใช้ร่างกายของเราและต้องใช้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเสดมาถ้าไม่มีเงินทองหรือร่างกายไม่ปกติร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีเรามาสร้างสติเราสามารถทำใจให้สงบได้เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าเราจะมีเงินทองหรือไม่ ไม่ว่าร่างกายเราจะสบายหรือไม่สบายเราก็ยังสามารถมีความสุขได้จากการใช้สตินั่งสมาธิหรือนอนสมาธิก็ได้ในช่วงถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งสมาธิไม่ได้ก็นอนสมาธิไปก็ได้ขอให้มีสติอย่างเดียวถ้ามีสติแล้วสตินี้จะควบคุมใจให้นิ่งสงบพอใจนิ่งสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกาย ไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่มีสติควบคุมความคิดให้จิตนิ่งสงบไม่คิดเท่านั้นเราก็จะได้ความสุขอันเลิศอันประเสริฐแล้ว <S <S อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาคือหาความสุขทดแทนความสุขเก่าหาความสุขใหม่มาทดแทนความสุขเก่าตอนนี้พวกเราต้องนำอาศัยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องแก่เจ็บตายไปต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาร่างกายจะตายนี่จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างมากจึงไม่ควรที่จะไปเพึ่งหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย ควรหันมาเพิ่มความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบด้วยการหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกสติในถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นที่เต็มรูปแบบก็มาลองเริ่มต้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนยเช่นวันพระถ้าวันพระวันนี้มันเป็นวันที่เราต้องไปทํางานไม่สะดวกเราก็เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราไม่ต้องไปทํางานก็ได้ วันพระความจริงหมายคขาว่าวันหยุดทํางานทีนี้สมัยนี้วันหยุดทํางานกับวันพระมันไม่ตรงกันเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทํางานของเราเท่านั้นเองงั้นสมมติว่าถ้าเรายังทํางานอยู่วันนี้เรามาปฏิบัติไม่ได้ก็รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาปฏิบัติได้ไปจองที่หาที่วัดไหนที่เขามีที่สงบที่เราปฏิบัติหรือถ้าเราอยู่ที่บ้านคนเดียวเราก็ปฏิบัติที่บ้านเองก็ได้ การปฏิบัตินี้ความสำคัญอยู่ที่ความสงบของสถานที่ไม่มีใครพลุกพ้าไม่มีใครมารบกวนใจถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครมารบกวนใจเราที่บ้านก็เป็นที่ปฏิบัติได้แต่ถ้าไม่มีถ้าที่บ้านไม่เหมาะกับการปฏิบัติก็ต้องไปหาที่วัดหรือไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆที่จะเป็นที่สงบที่จะทำเป็นที่ให้เราทำสมาธิทำใจให้สงบได้ง่าย อันนี้เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจิตตะภาวนาการปฏิบัติบูชาเราต้องสร้างความสุขรูปแบบใหม่ขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเรามีแหล่งของความสุขอันใหม่แล้วเราก็จะได้เลิกหาความสุขจากจากแหล่งเก่าได้เพราะแหล่งเก่าที่ให้ความสุกกับเราเป็นแหล่งที่ไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้บางทีอยากจะไป ดูนั่นดูนี่บางทีก็ไปดูไม่ได้หรือไปไปจองตั๋วก็ตั๋วมันเต็มทล้ะคนอื่นซื้อไปหมดแล้วมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ร่างกายเราไม่สมประกอบเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ปว่วยเวลาที่ร่างกายเราพิกลพิการไปเนี้ย มันจะเป็นช่วงที่เราจะไม่สามารถที่จะมาหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายไนดะ้แต่ถ้าเรามีวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายไม่เดือดร้อนกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสว่ามีหรือไม่มีมีที่ไปเที่ยวหรือไม่มีมีที่ไปดูไปฟังหรือไม่มีที่ไปกินไปดื่มหรือไม่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวล พราะเราสามารถหาความสุขได้จากการอยู่ตามลําพังของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีความสุขทางใจได้สามารถทําสมาธิในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้นั่งไม่ได้ก็นอนทําก็ได้ถ้ามีสติแล้วสามารถทําได้ทุกทุกอิรลยียบทสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้ไม่แนะนําให้ทํําทาในท่านอนเพราะสติยังมีกําลังน้อยเพราะถ้าอยู่ในท่านอนแล้วมันสบายแล้วมันจะเผลอหลับได้ง่าย แต่สําหรับผู้ที่ชํานาญแล้วสามารถเข้าสมาธิได้แล้วนี่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถนอนทําสมาธิก็ได้เพราะมีสติที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่พังเถอไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่หลับง่าย <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทํากันในเบื้องต้นของการปฏิบัติก็คือสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ขึ้นมามาทดแทนความสุขในรูปแบบเก่าเพราะเราต้องการที่จะเลิก การไปเพื่อพาความสุขในรูปแบบเก่าเพราะความสุขในรูปแบบเก่าถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข <Yeah. S 1> อันนี้จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติขั้นที่สองคือการวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการทำให้เรามองเห็นสัจธรรมความจรงิงของความสุขที่แท้จรงิงกับความสุขที่ต่อเมื่อเป็นอย่างไร ความสุขที่เราหาจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผ่านทางร่างกายนี้เรียกว่าเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่เป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลนี้เป็นผิวบางๆอบไปสักพักหนึ่งพอละลายหมดแล้วก็จะเจอวแต่รสของความขมขณะใดของความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายของรูปเสียงกลิ่นรก็เป็นแบบนั้น มันจะสุขเดี๋ยวเดียวสุขชั่วชั่วระยะแรกๆรกเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขกันแต่พอสักระยะหนึ่งสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนจากดีไปเป็นไม่ดีได้มันเสื่อมได้มันมั น, ม, นมันสิ้นสุดลงได้มันหมดได้เวลามันเสือเ่อมหรือว่ามันหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจ น, นี่คือ ความคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปไม่ ว, ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นร่างกายของคนนี้เวลาเจริญเติบโตก็รู้เวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูรูปร่างหน้าตาสวยงามถ้าอยู่ไปอยู่ไปนานๆเขาก็เริ่มแก่ลงแก่ลงเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลง แต่ในที่สุดก็กลายเป็นของน่าเกลียดไปร่าางกยร่าง ก, า ย, า, ง า, งกายของคนแก่นี้ไม่น่าดูเลยชั้นใดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เจรรแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีการดับเวลามันเจริ์เวลามันเกิด น, นี้มันให้ความสุขกับเราแต่เรเวลามันเสือ่อมเวลามันดับนี่มันจะให้ความทุกข์กับเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษามองให้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งนั้น มันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขกับเราแบบชั่วคราวถ้าเราไปยึดติดไปอาศัยมันให้ความสุขพอมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันหมดไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์เราก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้เราอยู่เฉยๆให้เราใจเราสงบให้ใจเราหยุดความอยากต่างๆ เพสิ่งที่มาทําให้ใจเราไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่เวลาอยากได้อะไรใจเราจะเริ่มกังวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมา mm hmm. เวลาที่เราไม่มีความอยากนี่สบายแต่เวลานอนก็หลับพ้อยไปเลยดั mm hmm. ยงนั้นพยายามต้องหน้าที่ของเราก็คือเราต้องมาพยายามร ะ, ะงับความอยากที่มีในใจของเราให้ได้และการที่จะระงับความอยากในใจของเราได้นี้ต้องต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังครับให้มั น, เ ป, น เ, ปเป็นของที่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันดีก็ดีความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ก็มีเช่นคนรักกันแต่งงานกันพอมาทะเลาะ ก, กันมามีปัญหากันความสุขที่เคยได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขวความอยากที่อยากจะอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นความอยากจะเลิกกันไป ถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็จะเจ อ, เตอแต่ความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษามาสอนใจอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเรืออะไรก็ตามอมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้นี่คือเรื่องปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาพอดีฝนกาลังจะมาไล่พอดีก็เอาแค่นี้ก่อน จะให้พรใครรับพรได้ก็รับใครยลบก็หลบยาถาวาเลวะหาปุลาปริลุเลนติสักลังเอวะเมวะอิโตจียงเตตานังอุปกะปติอิจิตังปะจิตังจุมหังทิพเมวะสมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิปโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินสศตุมาเตภวโตอันตราวิสุขีทีคายุโกภวะ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 จะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความก็มาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งก็มาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ481ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์261 YouTube Dr V Channel 63วิทยุออนไลน์15ครับเฮา12นาคุต130รวมทั้งหมด962ท่านค่ะมีชาวต่างชาติเลยอายุฟอมไว้ไม่ใช่มีอะไรมาอ้อมเพิ่มนเพิ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีชาวต่างชาติสองคนมานี่าก็อยากจะสนทนาทางด้วยไม่ทราบกลับไปแล้วหรือไงคงจะไม่ได้อยู่แล้วเ<ม> อ, อางี้ก็ถามไปก่อนแล้ลกันค่ะคำถามจากผู้ฟังน้กกุฏินะคะตอนเด็กๆเคยเผลอทำให้สัตว์ตายต่อมาศึกษาธรรมะ ึงรักษาศีลห้าฟังธรรมไหวพระสวดมนต์ให้ทานมาต่อเนื่องและตั้งใจว่าจะทำตลอดชีวิตคำถามที่หนึ่งนะคะถ้าจิตไม่เยยังไม่เคยรวมจิตสุดท้ายเกิดทุกขเวทนาจะมีโอกาสไปอบายภูมิหรือไม่ครับก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำว่าอันไหนมันมีมากกว่ากันถ้าบาปมันมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายได้ถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็จะไม่ไปอบายไปสุคติ ทำธรรมที่สองหากศึกษาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องจิตยังไม่เคยรวมยังไม่ได้ฌานสี่เมื่อจะตายหากมีสติรู้เห็นกายเห็นการเห็นการแยกกายแยกจิตได้รู้ขันห้าการเกิดดับไม่ใช่ตัวเราไม่กลัวตายจะสามารถบรรลุขั้นโสดาบันได้หรือไม่ครับก็ลองไปทำดูใช่ไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูไปดูทม่มีเสือมีีดูแลดูว่าจะแยกกายแยกใจออกจากกันได้บ้าง คำถามที่สามนะคะปฏิบัติจนจิตรวมมีจิตสงบจิตสบายมีความสุขไม่เข้าสมาธิก็ได้จิตเย็นจิตปิติสุขจิตหยุดความคิดได้ข้างนอกมีหมดข้างในก็มีลืมตาก็เห็นหากปฏิบัติทำขั้นวิปัสสนาให้บรรลุทำขั้นอรหรันพิจารณาไตรลักษณ์สามารถจะลดละกิเลสไปเรื่อยๆจะมีโอกาสบรรลุทำขั้นอรหรันไหมคะเนีมีโอกาสทุกคน ถ้าเรามีความสามารถที่จะหยุดกิเลสได้ก็บรรลุเป็นพระแค่ะคําถามต่อเนื่องนะคะจําเป็นจําเป็นที่ทุกคนจะต้องพิจรารณาอสุภะกรรมาฐานก่อนหรือไม่คะก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้คือดับการอารมณ์ความอยากจะเสพกามให้ได้คําถามจาก ผู้ฟังนัา ก, กุฏิอีกข้อหนึ่งนะคะทําบุญให้ทานรักษาศีลห้านั่งสมาธิจิตยังไม่เคยรวมแต่ทุกวันมีความสุขมีความสงบถนัดเจริญสติและใช้ปัญญาตัดกิเลสสามารถถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะหากตอนจะตายสามารถจะหลุดพ้นในขั้นโสดาบันได้หรือไม่คะต้องพิจารณาอย่างไรคะจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปล่อยวางร่างกายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกาย จิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตก็ไม่ทุกกับร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายค่ะคําถามจากหน้ากุฏินะคะคุณพ่ออายุ82นอนป่วยบนเตียงโรงพยาบาลเคยนัเค ย, นะเคยเพึ่งพาความสุขในรูปแบบเก่าไม่เคยเจริญจิตตภาวนามื่ก่อนจะทําอย่างไรให้คุณพ่อหาความสุขในรูปแบบใหม่ในขณะที่นอนป่วยบนเตียงโรงพยาบาลได้บ้างครับเงินอยู่ที่ตัวเขาเนะ่ยถ้าเขา ถ้าเขาอยากหามันก็ได้ถ้าเขาไม่อยากหามันก็ไม่ได้ค่ะข้อถัดมานะคะการปฏิบัติบูบชาที่ที่นี่ควรจะติดต่อใครลงทะเบียนที่ไหนค่ะที่วัดก็มีสำนัก ง, งานของวันติดต่อได้เกิดทาง YouTube, ยูทูบทาง google ก็ได้นี้พญาสังวลาลามเขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อได้ค่ะคำถามฝากถามค่ะ กาบนมัสการเรียนสอบถานท่านว่านิพพานคืออะไรต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเข้านิพพานได้คะนิพพานก็คือใจสะอาดบริสุทธิ์ใจของปุถุชนอย่างพวกเรานี้ยังไม่สาดเพราะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ถ้าเราสามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้ใจของเราก็จะเป็นนิพพานไปเป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิอดอีกต่อไปคําถามจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะจาก คุณพระรมถานสายหลวงปู่มัน่นจากเขาการะทำเรื่องการปฏิบัติแบบรักขันูนิพพชานว่าปฏิบัติอย่างไรครับรต้องไปถามที่อื่นอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัตินะจากคุณหญิงไดอารี่การทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาถือเป็นการเบียดเบียนไหมครับก็ เ, เบียดเบียน ด, ด้วยกันทั้งคู่่ะเขาเบียดเบียนเราเราเบียดเบียนเขาทําทให้เราไม่มีทำให้เราไม่มีความเชื่อกันทั้งคู่นั้นอย่าทะเลาะกันน จะสร้างความทุกข์ขั่กับกันคําถามจากคุณจรัญจรัญญาการที่เราลดระยะเวลาเวลาคิดจากเมื่อก่อนคิดนานค่อยรู้ตัวปรับมาเป็นคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงสติออกแบบนี้จะเรียกว่าการเป็นการพัฒนาการปฏิบัติไหมคะถ้าเรารู้ทันความคิดก็ถือว่าเราก็มีการมีการพัฒนาเป้า<ค>หมายก็คือสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เลย คำถามที่สองการทำจิตว่างๆตลอดเวลาถูกต้องไหมคะเพราะโยมพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ถาวรพอย้อนดูใจจะอยู่กับเราตลอดไปโยมเลยอยากให้โยมใจดีๆเลยหยุดคิดพอจะคิดโยมก็บังคับตัวเองว่าไม่ไม่ได้แล้วเราลึกถึงคําสอนของหลวงพ่อว่านิพพานที่มีเดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้จิต จะยิ้มย้ ม, ย ม, ยมจําใสออกมาเลยค่ะดีทำจิตให้ว่างผ่าเสจากความคิดต่างๆเดี๋ยวพูดให้ช้าๆหน่อยก็ได้มัคะค่ะจากคุณทีธนาตื่นตื่นไว้ทีทางการแพทย์บอกว่าเคมีในสมองไม่สมดุลคำถามการนั่งสมาธิทุกวันช่วยให้สมดุลได้ไหมคะได้สมาธิเนี่ยเป็นวิธีรักษาโรคจิตต่างๆ ใครนั่งสมาธิได้รับประกันไม่เป็นโรคจิตอย่างแน่นอนไม่คิดฆ่าตัวตายไ ม, ไม่ซึมเศร้า ม, มีความสุขจิตมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เป็นโรคจิตก็เพราะมันมีความทุกข์แล้วหาวิธีดับความทุกข์ไม่ได้หาวิธีทําให้จิตสุขไม่เป็นก็เลยยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งทุกข์ก็เลยยิ่งซึมเศร้าใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่ จากคุณมานะถ้าหากเรารู้แล้วว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุขขรับก็อยู่แบบพระไงอยู่แบบไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขอยู่กับการใช้สติหยุดความอยากต่างๆคำถามจาก YouTube พระจัญสุชาติกาบมนวัสการ์อาจารย์ครับตอนนี้พรรยาไปตรวจพบว่าถ้ามีเชื้อมะเร็งควรจะวางใจอย่างไรครับ ต้อปล่อยมันไปนไม่ใช่ดูร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไปมันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปคำถามจากคุณใบหยกตอนลูกไปรักษาสีตาที่วัดป่าบ้านตาดนั่งสมาธิไม่รู้จิตรวมใหม่เจ้าคะเพราะเห็นแต่แสงสีขาวโพลนต่อมามีอุบัติเหตุเสียเลือดรุนแรงจังหวะนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีแค่แสงขาวโพลนไม่มีวัตถุใดๆค่ะคือจะเห็นแสงหรือไม่เห็นแสงไม่สําคัญนะสําคัญว่าใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองการปฏิบัตินี้เพื่ดับความทุกข์ใจนะงั้นจะเห็นอะไรก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญเห็นว่าเราทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วดับความทุกข์ได้หรือไม่คําถามตอนเรื่องที่เขาถามเมื่อกี้นะคะเขาถามว่าอันนี้คือจิต ที่เกิดจากการรักษาศีลใช่ไหมเจ้าคะมันก็เกิดจากการปฏิบัติจิตพอเริ่มสงบจิตมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนทุกครั้งไปกาบเรียนพระอาจารย์กรรมตกถึงลูกมีจริงหรือไหมคะไม่มีหรอกกรรมใครกรรมันกรรมของเราไม่สามารถ <c oughs> มอบเป็นมรดกให้กับลูกได้ ไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่เรามอบให้กับลูกได้แต่กรรมนี้มอบให้กับใครไม่ได้ของใครของมันไปจากคุณลุงเจสซี่จิตฟุ้งต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ใช้สติงหยุดความคิดปรุงแต่งท่ทองพุทโธพุทโธไปถ้าท่องพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์นไปก่อนสวดอิติปิโสไปหลายๆจบ เราไปักครึ่งชั่วโมงชัวโมง oh, <God. S 1> สวยไปเรื่อกมันจะหายฟุ้งคำถามจากหน้ากุติค่ะหาก ม, มีความตั้งใจจะถือศีลแปดในวันทํางานอาจต้องแต่งหน้าทาแป้งบ้างทานอาหารกลางวันหลังเที่ยงสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาแบบนี้จะถือว่าศีลบริสุทธิ์หรือไม่คะแล้วต้องทําอย่างไรคะต้องปงอาบัตได้หรือไม่คะก็อย่าไปถือมันเท่านั้นเองเขาไม่ได้มังคับไม่ถือหน่อย เมื่อมันถือไม่ได้ก็อย่าไปถือมันถือข้อที่เราถือได้ข้อไหนเราถือได้เราก็ถือไปข้อไหนเราถือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปถือการถือศีลแปนี้เหมาะกับวันที่เราไม่ทํางานวันที่เราต้องการปฏิบัติทำเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ปฏิบัติทำถือไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมลยนะการบวชจิตในขณะที่เป็นฆราวาสมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างคะการอายจิตนะการบวชจิตบวชจิตก็ ก็หยุดลดละกิเลสความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห า, หากขณะที่มีจิตที่อยากจะบวชชีตลอดเวลาแต่ด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบจึงต้องอยู่ในทางโลกต่อแต่จิตไม่อยากยึดมั่นถือมั่นจึงไปจึงทํางานไปแบบไม่ค่อยมีความสุขจะทําใจอย่างไรคะก็แสดงว่ายัางอยากไม่ยังอยากไม่จริงถ้าอยากจริงมันก็ทิ้งทุกอย่างได้หมด นี่ยังอยากครึ่งคึ่งอยากอยู่เบื่อเบื่ออยากอยู่อยากจะได้ทั้งพี่อยากจะได้ทั้งน้องรักพี่เสียดายน้องก็ต้องตัดสินใจยาวทางใดทางหนึ่งคําถามจาก youtube นะคะ My สเตอร์ในมรดกครับลูกมีนีิสิณจนทําให้ข้าพเจ้าเครียดมากปล่อยวางไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับต้องรักษาอารมณ์ใจอย่างไรครับมีนีิสิณเหรอค่ะก็ไปใช้นี่เขาเนี่ มีอะไรก็ขายไปมีทีวี TV ก็ขายไปมีรถก็ขายไปไปกบเนี่ให้มันหมดอยู่แบบไม่มีก็ได้สมัยก่อนไม่มีรถเขาก็อยู่กันได้สมัยก่อนเขาไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นเขาก็อยู่กันได้คำถามจากเ c e b o o k นะคะกาบเรียดหลวงพ่อถ้าเราต้องอยู่ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่พูดบ่นทอนเราทุกวัน ลูกควรจะทําจิตของลูกอย่างไรบ้างคะเพื่อไม่ให้จิตลูกไหลไปกับสิ่งที่กระทบจิตของลูกเจ้าค่ะก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะล้วห้ามเขาไม่ได้แเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเชื่อคําพูดของเขาแล้วคําพูดของเขาก็เป็นคําพูดของเขาความจริงมันเป็นความจริงของเราเขาว่าเราเป็นควายเราเป็นควายหรือเปล่าก็เท่านั้นแหละก็ดูความจริงไว้เขาวเราไม่ดีเราดูว่าเราไม่ดีจริงหรือเปล่าถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีจริงก็ต้องขอบใจเขา เขาแสดงว่าเขาช่วยชี้คุ้มซับให้กับเราเราจะได้มาแก้ไขดัดแปลงส่วนที่ไม่ดีไปเท่า น, นั้นเอง mm hmm. ฟังด้วยเหตุด้วยผลอย่าฟังด้วยอารมณ์ส่วนใหญ่เราอยากจะให้เขาชมเรายกย่องสรรเสริญเราพอเขาพูดตำหนิติเตียนเราเราก็ไม่ไม่สบายใจไม่พอใจเนีเราต้องปรับทัศนคติของเราอย่าไปอยากให้คนอื่นเขาชมเราอยากให้เขาติเราจะดีกว่า เพราะการเตะของเขาถ้าเป็นความเป็นจริงนี้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าคำถามจากคุณกุศลินขออนุญาตถามเจ้าค่ะเป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อวานการเอารูปถ่ายหรือเสื้อผ้าคนตายมาหอมหายไปคำคำคำถามไม่สมบูรณ์ค่ะอาจารย์จะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค้ะทำได้ไหมคะ ก็ไม่มีใครห้ามจะทํำก็ทําไปดีเป็นอะไรไปคนตายก็ตายไปเสื้อผ้าไม่ได้ตายไปกับคนตายนะเสื้อผ้ามันก็ยังเป็นเสื้อผ้าอยู่เดิมหมดแล้วเจ้าค่านะโอเ ค, อเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็าแค่นี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเราเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพนิดเพจนาะ ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ